มีใครอยากจะถามอะไรไหมอยากจะรู้อะไรบ้างไม่อยากจะรู้อะไรอยากถามอยู่ค่ะไอบริกรรมนี่มันจะทำยังไงคะเพราะอาจจะเหนื่ทำเนมันถึงจะหาเจ็บเวลาเราตั้งจะมาสก็เหรอม่ไม่ไม่หายเจ็บหรอ มันหยุดใจให้ไม่ให้ไปเครียดกับความเจ็บเท่านั้นเองค่ะจะถามว่าการบริกรรมอะค่ะต้องทำยังไงมันถึงจะเวลาเรานั่งสมาธิถึงจะไม่เจ็บไม่ปวดวอะค่ะมันเจ็บอะแต่มันไม่เจ็บมันไม่มันมันไม่เจ็บใจเจ็บที่กายถ้าเราไม่บริกรรมมันเจ็บที่ใจด้วย ความเจ็บที่ใจมันทรมานมากกว่าความเจ็บที่ร่างกายอา จ, จเหมือนเวลาไปหาหมอเนี่ยถ้าไม่อยากจะฉีดยานี่โอ้ยมันหมอยังไม่ทันฉีดยาใจเจ็บไปก่อนนะใช่ไหมแต่ถ้าหมอบอกฉีดยาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอเราก็จะใจก็จะไม่เจ็บเดี๋ยวเวลาฉีดจริงๆก็เข็มเจาะเข้าไปนิดเดียวแค่ไหน ทำบริกรรมก็หยุดความกลัวหยุดกลัวความเจ็บคนเรากลัวความเจ็บกันพอมันเจอแล้วมันกลัวพอกลัวมันก็เลยทรมานใจถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธมันก็หายกลัวหายกลัวแล้วมันก็ไม่เจ็บที่ใจเจ็บที่ร่างกายความเจ็บที่ร่างกายนี้ทนได้ เวลาเรานั่งเล่นไพ่ในปวดฉี่ยังไม่ยอมลุกเลยหรือดูหนังยังไม่ยอมลุกเลย <Okay. S 1> เพราะมันทนได้มันอยากจะดูหนังมากกว่าที่จะไปฉี่ในเวลาเรานั่งรถเจ็บเนี่ยมันทนไม่ได้เพราะเราอยากจะลุกกันมันเลยทนไม่ได้เพราะอยากจะลุกแต่ถ้าเราพุโทโธพุทโธไปความอยากลุกมันก็ไม่มี มันก็นั่งกับความเจ็บได้อยู่กับความเจ็บได้อต้องแต่ต้องบริกรรมแบบไม่หยุดเลยเวลามันเจ็กบก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพุทโธไปให้มันขาดใจตายไลยกับพุโทโธเลยนเดี๋ยวใจมันจะหยุดกลัวหยุดหยุดอยากเแล้วมันจะไม่ทรมานมันจะเป็นไม่รู้สึกอะไร มันจะเฉยๆกับความเจ็บของร่าง ก, กายน่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะงั้นหัดพุดโทโธไวหัดบริกรรมไวก่อนจะลองทำดูค่ะต้องทำก่อนที่มันเจ็บอันทางถ้าไปทำตอนที่มันเจ็บมันมันทำไม่ไหวเพราะมันไม่เคยทำเหมือนกับนักมวยต้องซ้อมก่อนก่อนที่จะขึ้นเวทเีถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวเวลาขึ้นเวทีต่อยไม่ออก อพอเจอความเจ็บมันพุโทโธไม่ออกถ้าเราไม่ซ้มไม่ก่อนงั้นเราต้องหมั่นซ้มพุโทโธไปวันทั้งวันเนี่ยมาบวชนี่ไม่ต้องไปคิดอะไรคิดแต่พุโทธโธพุทโธไปหัดท่องพุโทธโธพุทโธไปเดี๋ยวก็มันก็จะพุโทโธเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าเพิ่งบวชครั้งแรกค่ะลองหัดท่องพุโทธโธพุทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรเดินยืนนั่ง กินอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทธโทธพุทโธไปอาบทัองพุทโธพุทโธไปแล้ใจจะเบาจะเย็นจะสบายไม่เครียดไม่ทุกข์กับอะไระที่เราเครียดเพใจเราคิดเองคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดความอยากเกิดความกลัวเกิดความอะไรต่างๆขึ้นมา คิดถึงความตายตอนนี้ก็เครียดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันตายเลยเพีงแต่คิดถึงความตายก็เครียดขึ้นมาแล้วมีเวลามันคิดเราหยุดไม่ได้นะมันทรมานตอนนี้เราไม่คิดถึงความตายเพราะมันยังไม่มีอะไรมากระตุ้นอะไรน ะ, อะลองเดินไปลื่นหกล้มขึ้นมานี่ทีมันพอมีอะไรมันกระตุ้นว่าเดี๋ยวอาจจะตายเนี่ยทีนี้มันกลัวแล้ะ เวลามันกลัวเราก็พุโทโธรพุทธโทรไปอย่าไปคิดอะไรพอเดี๋ยวเราก็หยุดความคิดความตายได้มันก็หายกลัวด mm hmm. ฉงนั้นหัดหัดท่องพุโทโธไปแล้วเราจะสามารถควบคุมความกลัวความเครียดของใจได้ mm hmm. เวลาเครียดเวลาวิตกเวลากังวลเวลาเสียใจ เวลาโกรธอย่างเงี้ยถ้าเราพูดโธพูดโธพูดโธพูดโธไปเดี๋ยวมันก็หายวิธีอื่นไม่หายวิธีอื่นยิ่งทําให้มากโกรธมากขึ้นเนี่ยพอใครทําให้เราโกรธเราก็ไปด่าเขาเดี๋ยวเขาก็ด่ากลับมาก็ยิ่งโกรธกันใหญ่เวลาใครเขาทำให้เราโกรธเราอย่าไปตอบโต้เขาอย่าพูดโธพูดโธไป ใจเรามันเป็นตัวผลิตความเครียดผลิตความโกรธผลิตความโลภผลิตทุกอย่างที่ไม่ดีที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยใจเราผลิตขึ้นมาเองเวลาเศร้าใจเราก็ผลิตขึ้นมาเวลาเสียใจเราก็ผลิตมันขึ้นมาเราก็ต้องแก้ที่ใจไม่ต้องไปแก้ที่อื่นเวลาเสียใจแฟนทิ้งอย่าไปตามแฟนน การยังไงเขาถ้าเขาทิ้งมาแล้วเขาไม่กลับมาแล้วเราก็อย่าหยุดคิดหยุดคิดถึงเขาเสียก็หมดเรื่องเขาไปก็ปล่อยเขาไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเราก็หายเสียใจแล้วเขาจะกลับมาแล้วไม่กลับมาเราก็ไม่เดือดร้อนอแต่ถ้าไปแก้ที่แฟนแฟนทิ้งก็พยายามไปตามมากลับตามให้กลับมาอไม่กลับมาก็ยิ่งเสียใจใหญ่ยิ่งน้อยใจใหญ่ ดีไม่ดีเดี๋ยวก็คิดค่าตัวตายไปแต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจเราใจเราเสียใจเพราะเราไปคิดเองคิดอยากให้เขากลับมาอยู่กับเรานี่เราอย่าไปคิดอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขากลับมาหยุดความอยากนี้ด้วยการใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปพุทธโธสิบนาทียี่สิบนาทีก็หายแล้วใช่ไมลืมหยุดคิดหยุดความอยากให้เขากลับมาได้ใจก็เบาสบาย แล้วก็จะมีสติสตางค์โอ้ยคนไม่มีคนเดียวในโลกนี้หรอกเว้ยผู้ชายมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนไอคนนี้ไปคนเดียวทำให้เราตายให้มันดูไปสิอีกตัวเยอะแยะรอเราอยู่เนี่ยนีไม่ดีคิดว่าดีสจะได้เปลี่ยนของใหม่บ้าง<ะ> <laughs> ใช้ของเก่ามานานละมีโอกาสได้เปลี่ยนของใหม่ละ พอใจได้สติกลับมามันก็มองลูกในในแง่ความเป็นจริงถ้ามันเวลามันเสียใจมันจะมองไม่เห็นความจริงมันจะคิดว่าโลกนี้ทั้งโลกมีเขาคนเดียวพอเขาไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันจะคิดอย่างนั้นความคิดของเราเองคิดแล้วทำให้เราเศร้าใจเสียใจเองพอเราคิดไม่เป็น เรายึดติดกับอะไรแล้วรักเรารักเราห่วงพออะไรพอจากเราไปนี่โอ้เราจะเสียใจจะจะตายไปกับของที่จากเราไปคนที่จากเราไปไม่มองว่าเมื่อก่อนไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เาะก่อนที่เราจะมีแฟนเราก็อยู่เราก็เป็นโสดกันมาก่อนไม่ใช่เลยอนนี้เราเป็นโสดไม่เห็นจะเราก็อยู่ได้มีความสุขได้ถามเด็กหนูน้อยนี่ไม่มีแฟนก็ทําไมอยู่ได้ นะอะแล้ว อ, อยากจะมีแฟนแล้วนั้นเราต้องควบคุมใจเวลามันพยศเนี่ยเวลามันทําให้เราเสียใจเวลาทําให้เราโกรธนี่แสดงว่ากาลังพยศมันกาลังคิดไปในทางอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจโกรธเอน้อยใจ เครียดนหยุดมันมันกำลังผลิตผลิตความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราเราใช้พุโทโธเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะฮะพุโทโธแล้วจะมีอาวุธไวต่อสู้ไว้ทาลายความทุกข์ต่างๆความไม่สบายใจต่างๆความเศรา้าโศกเสียใจอะไรทั้งหลาย ความไม่ดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่เราผลิตขึ้นมาเองเราสร้างมันขึ้นมาเองแล้วเ ร, เราไม่รู้จักวิธีหยุดมันรู้จักสร้างมันแต่ไม่รู้จักวิธีหยุดมันน้อเข้ามาทำอะไรไหมครับคนอะไรมาค น, คนปูนครับมาทำมาทำเห็นตอนกุฏิหลวงพี่ อ, นนะอ้<ำ>อ น, นะะอ๋อมาผิดทาง เนี่ยใจเนี่ยเป็นผู้ผลิตความทุกข์ผลิตความสุขแต่เราไม่รู้จักผลิตความสุขกันเรารู้จักแต่ผลิตความทุกข์กันเราจึงต้องมาหาพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราให้ผลิตความสุขกันวิธีผลิตความสุขขั้นแรกก็คือพุทโธนี่ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วความทุกข์ความอะไรต่างๆจะหายไป พอความทุกข์ความเครียดการมหายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นใหม่ความเบาใจสบายใจมันก็เกิดขึ้นอ่ะเพราะเราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ทําให้เราหนักอกหนักใจกันง่ายๆคําคเดียวเท่านั้นแหละพุทโธพุทโธไปแต่ต้องแต่ต้องท่องหลายหลายครั้งท่องเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันครั้งไปท่องไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป แล้วต่อไปเวลาใจไม่สบายก็พุทธโธพุทธโธไปพุทธโธนี้เป็นยารักษาใจเวลาใจไม่สบายยาที่เขาขายตามท้องตลาดนี้รักษาโรคใจไม่ได้ยาจะแพงกระดาบไหนก็ไม่สามารถมาทำให้ใจเราหายจากความไม่สบายใจไม่ได้มีแต่พุทธโธนี่พุทธโธพุทธโธพุทธโธไป แต่ต้องขยันเวลาไม่สบายใจนี่ต้องพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรพุโทโธไปจนกว่ามันจะหายเหมือนหมอที่ให้กินยาเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกอ่ะเอายาไปกินอย่า ก, กินเม็ดเดียวให้กินไปจนกว่าจะหมดยาที่หมอสั่งให้กินวันละสามสี่มือ่อครั้งละเม็ดสองเม็ดเี่ยหมอสั่งให้กินอย่างไรก็กินไป พระพุทธเจ้าก็สอนเนี่ยลมีพุโทโธกำกับใจอยู่ตลอดเวลาเวลาใจมันพยศเราก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายพยศเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พุโทโธพุธโทโธไปแล้วความความไม่สบายใจจะไม่เกิดเกิดแต่ความไม่สบายร่างกายทนันเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเจ็บเหมือนกัน แต่ใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจสบายเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บอย่างตอนนี้เป็นยังไงตอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรามีพุทโธพอเราไม่สบายเราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราก็หยุดเป็นได้หยุดด้วยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปของวิเศษง่ายๆแต่ทํายาก เพราะมันขี้เกียจทำกันชอบผลิตแต่ความทุกข์กันชอบคิดแต่เรื่องที่ทําให้ทุกข์กันให้เรื่องที่ทําให้ไม่ทุกข์ไม่คิดกัน<ม>เราต้องพยายามาหัดหยุดความคิดต่างๆก่อน<ม>เวลามันพยศเราจะได้หยุดมันได้<ม>แล้วต่อไปพอเราหยุดความพยศได้เราก็สอนให้มันคิดไปในทางที่ทําให้เราไม่ทุกข์ได้ คิดยังไรที่จะทําให้เราไม่ทุกข์ไม่ทําให้ใจพยศก็คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนเรามักอยากจะได้ให้สิ่งต่างๆที่เราได้มานีิเที่ยงได้แฟนมาก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่แน่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแปลว่าไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้อยู่กับเราได้ก็จากเราได้ดีกับเราได้ก็ร้ายกับเราได้วันนี้ดีพวกนี้อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ทุกอย่างเหมือนกับเป็นดินฟ้าอากาศนี้ เราควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศได้ไหมสั่งให้ฝนตกได้ไหมสั่งให้แดดออกได้ไหมสั่งให้กลางคืนเป็นกลางวันได้ไหมสั่งให้กลางวันเป็นกลางคืนได้ของพวกนี้เราสั่งไม่ได้ฉันใดของอย่างอื่นก็เหมือนกันร่างกายของเราเราก็สั่งไม่ได้ร่างกายของคนอื่นเราก็สั่งไม่ได้ของต่างๆที่เรามีอยู่นี้เราก็สั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันไม่เสียไม่ได้เดี๋ยววันดีคืนดีมันก็เสียหลอดไฟใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันก็ขาดทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงเส้นคงวาเหมือนเดิมทุกอย่างจะต้องไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความสิ้นสุดไปสู่จุดจบไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นของเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง แม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยโลกกลมๆมันเนี่ยมันก็มีจุดจบของมันเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราอยู่กันอย่างนี้หรือดวงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างกับเราเดี๋ยวว่าถ้าวันหนึ่งมันก็หมดมันจะเหมือนมันเหมือนดวงอาทิตย์ก็เหมือนกับก้อนหินก้อนฐานไฟอย่างเงี้ยที่ตอนนี้มันมีฐานมันก็มันก็ไหม้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอฐานมันหมดมันก็ ฟืนมันหมดมันก็ไม่มีแสงสว่างไม่มีความร้อนส่งมาให้เราพอที่โลกเราไม่มีความร้อนไม่มีแสงสว่างมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วใครอยู่ขั้วโลกเหนือได้ปลูกข้าวก็ปลูกไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายกันหมดให้มองอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่เครียดกับมันไม่ทุกข์กับมันแล้วก็ มันจะทำให้เร า, เ, าเลิกกลับมาหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ mm hmm. การที่เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้ mm hmm. ก็เพราะเรายังคิดว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีของดีอยู่เราจึงอยากกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามองเห็นว่าโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่อยากจะกลับมาหามัน เมื่อเราไม่มีความอยากจะมาหามันเราก็ไม่ต้องมามีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาเจ็บกับร่างกายพอมีร่างกายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้ท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแต่พวกเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขอยากได้กันอยากได้ลาบยศสำรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสกัน พอได้มาแล้วก็สุกเดียวเดียวเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไปมันจากเราไปก็เสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้แล้วก็ไม่เข็ดพอมันจากไปก็ไปหามันใหม่หามาอีกเดี๋ยวมันก็จากเราไปอีกถ้ามันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปอเดี๋ยวร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาอะไรต่างๆให้กับเราเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปอีก พราะมันแก่เจ็บตายเราก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์โลกแห่งความทุกข์ไม่ใช่โลกแห่งความสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วต้องมีดับมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดานั้น ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากกลับอยากไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มีอะไรบ้างแต่ลาบใช่ไหมอยากได้ลาบนในวันหวยออกนี่ทุกคนนี่ใส่บาตรกันเยอะแยะไปเลยใส่บาตไม่ไม่ใชาจะเอาบุญนะใส่บาตรเพื่อจะเอาลาบคำจริงเขาใส่บาตเพื่อเอาบุญกันแต่พอวันหวยออกนี่พวกที่ชอบแทงหวยก็จะ จะใส่บาตรเพื่อจะเอาลาบคิดว่าใส่บาตรทำบุญแล้วเดี๋ยวซื้อหวยก็จะได้ถูกจะได้ลาบบางคนก็อยากจะได้ยศอยากได้ตำแหน่งอยากได้อยากมีใครอยากเป็นนายกกันไห ม, ไมใส่หน้าตอนนี้ถ้าได้เป็นจริงๆจะจะใส่หรือเปล่าไม่ใส่หรอ ก, รอกตอนนี้ก็รู้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้มันก็ใส่เดี๋ยวถ้ารู้ว่าเป็นได้นี่มันไม่สส่แล้ว <C oughs> อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากหลอ่อของพวกนี้มันก็เป็นของปลอมนะได้เป็นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เห็นไหมเดี๋ยวก็ย้ายเดี๋ยวก็เปลี่ยนคนะเนี่ยอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วเนะี่ยมีนายกมากี่คนแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆของทุกอย่างมันไม่มันไม่ถาวรมันไม่แน่นอน บางคนก็เป็นนานหน่อยบางคนก็เป็นเดี๋ยวเดียวบางคนเป็นไม่กี่วันบางคนก็เป็นหลายปีย ก, ปก็อยากมีขาใช่ไหอยากปวดขาตัดขาที่มันรับรองได้จะไม่ปวดขานะนี่มันปวดเพราะมันมีขาเข้าใจไขาก็เป็นทุกข์เห็นไหมมีขาก็ทุกข์มีร่างกายก็ทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีร่างกายวิธีที่ไม่มีร่างกายก็คืออยา่าอย่าใช้ร่างกายเรายังอยากใช้ร่างกายอยู่ยังอยากมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วจะได้ไปเที่ยวได้มีแฟนได้กินได้ดื่มได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็เลยอยากมีร่างกายกันพอมีแล้วก็ไม่ไม่คิดถึงเวลามันแก่มันเจ็บมันตายกัน เราชอบมองด้านเดียวชอบมองแต่ด้านที่ดีด้านสุขแต่ไม่ไม่เห็นด้านทุกเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านใช่ไหมคอยสังเกตเห็นเหรียญไหมมันเหมือนกันไหมด้านหัวกับด้านก้อยไม่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีสองด้านมันมีสุขแล้วก็มีทุกมันมันมันมาด้วยกันแต่สุขมันจะมาก่อนแล้วเดี๋ยวตามมาด้วยความทุก เวลาได้อะไรมานิสุขได้เงินสุขได้ยศสุขได้สสนและแสนสุขพอมันเสื่อมที่นี้ก็ทุกข์ไปเลยอัยไมเนี่ยร่างกายเวลาเกิดมาใหม่ๆก็สุขมันมีแต่เจริญเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่พออยู่ไปนานๆเข้าพอเริ่มแก่แล้วที่นี้มันมาแล้วสิมีแต่ทุกข์ใช่ไหย เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะลุกก็จะนั่นก็เจ็บจะลุกก็เจ็บจะเดินก็เจ็บมันเจ็บของมันตลอดเวลา น, นี่แหละคือความทุกข์ที่เราไม่ไม่เห็นกันเห็นแต่ร่างกายตอนที่มันหนุ่มมันสาวพระพุทธเจ้าบอกให้ให้มองสองด้านของทุกอย่างในโลกนี้มันมีสองด้านมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีเกิดแล้วก็มีดับ มีขึ้นก็ต้องมีลงถ้าเราเห็นเวลามันจะลงเราจะได้บอกไม่เอาดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าพวกเราไม่รู้ว่าพวกเรานี้สามารถอยู่แบบไม่มีอะไรได้จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ต้องหยุดความอยากความอยากมันทำให้เราอยากมีนั่นมีนี่กันถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็อยู่แบบไม่มีอะไรได้แล้วอะไรจะมาหยุดความอยากก็พุทโธนี่แหละ พุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่อยากอะไรพอไม่อยากอะไรมันก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ร่างกายจะตายมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายถ้ามีพุทโธแล้วใจจะมีความสุขในตัวเองอเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกีลิ่นรสต่างๆ เพราะมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปส่วนความสุขที่ได้จากพุทธโธดีกว่ามันจะไม่จางหายไปมันจะอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆดังนะ น, นั้นตกลงให้ตอนนี้เราควรจะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเนี่ยที่ให้มาอยู่วัดนี่ก็ให้มาหัดพุทธโธกันพันยานะ พูดโทพูดโทแต่ไม่เคยพูดโทเลยตั้งแต่มาอยู่วัดเนี่ยมีใครสอนให้พูดโธกันไหมไม่พูดโธเลยอมีแต่มีแต่เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไม่มีแต่อยากได้นู่นอยากได้นี่นอันนี้ก็อยากจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมพอมาอยู่วัดก็คิดถึงบ้านแนะ้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านขึ้นมานะเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ พอไปอยู่บ้านเดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วอยากจะไปวัดอีกแล้วเห็นเพราะความอยากมันจะพาเรากิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลเราเป็นเหมือนลูกฟุตบอลถูกความอยากมันเตะอยู่ตรงนี้มันก็เตะไปตรงนู้นพอไปถึงตรงนู้นมันก็เตะกลับมาตรงนี้อีกอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นใช่พราพอไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับมาตรงนี้กลับไปกลับมาอย่างนี้ เพราะเราไม่รู้จักหยุดความอยากกันไม่มีพุโทโธกันถ้ามีพุโทโธแล้วอยู่ตรงไหนเหมือนกันอยู่ตรงนี้ก็สุขตรงนู้ก น, นก็สุขเหมือ น, นกันก็มันจะไปทําไมเมื่อตรงนี้สุขแล้วก็ไม่ต้องไปตรงนูน้นแต่ถ้าไม่มีพุโทโธมันจะถูกหลอกหลอกตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เอพอไปถึงตรงนู้นมันก็หลอกว่าตรงนี้ดีกว่าให้กลับมาใหม่เนี่ยถ้าเราไม่มีพุโทโธเราจะถูกความอยากหลอก พาเราไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนมันก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นตอนที่ได้ไปใหม่ๆดีใจพอไปอยู่สักไม่กี่วันเบื่อแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วนี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่มีความสุขในตัวเราเพราะเราไม่สามารถควบคุมความอยากได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ควบคุมความอยากได้เราจะมีความสุขในตัวเรา แล้วเราจะไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะให้ความทุกข์กับเรามีอะไรก็ยังต้องก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีได้อะไรมาเราก็จะต้องรักต้องหวง<ม>เวลาหวงก็ทุกข์ลว<ม>เวลาหวงก็ทุกข์ลว<ม>แล้วเวลาเสียไปก็เสียใจก็ทุกข์อีกมีแต่ทุกข์ตลอดเวลาจากสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้กัน แต่เรากลับมองไม่เห็นความทุกข์ล้วกลับเห็นแต่สุขโอ้ได้นี่มาแล้วจะมีความสุขแต่งงานแล้วโอ้จะมีความสุขไปถามคนที่เขาแต่งงานดูเลยไม่ไปถามว่าสุขไหมมีความทุกข์หรือเปล่ า, าไอ้คนที่แต่งแล้วก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าต้องบอกงมันก็ไม่เชื่ออกีกอะลองบอกลูกว่าลูกอย่าแต่งงานเลยแม่เข็ดแล้ว บอกไงลูกมันก็ไม่เชื่อมันเสกปากว่ามันไม่ไม่เท่ากับหนึ่งตาเห็นถ้ามันยังไม่เห็นกับตามันไม่เชื่อหรอกเเราพูดถ้าเป็นแทบตายนี่ก็ไม่เชื่อหรอกต้องไปเห็นกับตาแต่พอเห็นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไม่รู้จากวิธีแก้มันนั่นต้องหัดเชื่อก่อนที่จะไปเจอปัญหาหัดเชื่อวิธีแก้ปัญหาก่อนมาซ่อมสร้าง ฝึกวิธีแก้ปัญหากันก่อนฝึกพุโทโธกันก่อนหาดควบคุมใจให้ได้ก่อนควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้ให้หยุดความอยากให้ได้แล้วก็สอนใจให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์มันไม่สุขมันสุขต้นแต่ทุกข์ปลายสุขเดี๋ยวเดียวทุกข์มากกว่าสุขเวลาสุขดีใจ แต่เ ว, เวลาทุกนี้อยากจะฆ่าตัวตายให้คิดอย่างนี้มีอะไรแล้วจะต้องทุกข์เพราะว่าวันดีคืนดีเขาจะต้องเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปเขาก็จากเราไป <Yeah. S 1> เคยดีกับเราก็กลายเป็นร้ายกับเราก็ได้ <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ เหมือนดินฟ้าอากาศอย่าไปยุ่มกับเขาดีกว่าอย่าไปมีเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาดีกว่าหัดอยู่ของเราคนเดียวดีกว่าจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องมีพุโทโธนี่แต่ไม่ใช่พุโทโธคำเดียวนะต้องพุโทโธเป็นห ล, หลายๆครั้งตลอดเวลาหัดพุโทโธไว้ถ้าเราพุโทโธได้ต่อไปเราจะควบคุมความคิดควบคุมความอยากได้เห็นอะไรก็จะเฉยเฉย ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเวลาไม่มีความอยากนี้มันไม่เดือดร้อนได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเวลามีอะไรก็ไม่เสียใจเวลามันจะไปก็ไม่เสียใจอยู่ก็ได้ไปก็ได้ร่างกายเนี่ยต่อไปมันจะต้องไปไปก็ไปอยู่อยู่ก็อยู่เจ็บก็เจ็บไม่เจ็บก็ไม่เจ็บถ้าใจมีพุโทโธใจไม่มีความอยากกับร่างกายแล้วยังไงก็ได้ ร่างกายจะเป็นยังไงใจไม่เดือดร้อนเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเ<ม>นี่ยพวกเรานี่เป็นฝาแฝดกันรู้เปล่าเรามีสองคนอยู่ในในอยู่ในตัวเรานี้มีร่างกายกับมีใจแต่เรามองไม่เห็นฝาแฝดหรือคนเรามองไม่เห็นใจเราไปคิดว่ามันอยู่กับที่ร่างกายคิดว่าเป็นคนเดียวกันแต่ความจริงมันเป็นคนละคนกัน ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายทุกข์ใจไม่ได้ทุกข์ไปกับร่างกายแต่ตอนนี้มันกลับกันร่างกายยังไม่ทุกข์เลยใจทุกข์ไปก่อนนละเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาใจเรารู้จักวิธีรักษาร่างกายหาอาหารให้ร่างกายได้เวลาไม่สบายก็หายามารักษาให้มันได้แต่เวลาใจไม่สบายรักษาไม่เป็น มีแต่ทนไปจนกว่ามันจะหายเองแต่ถ้าเรารู้จักวิธีรักษาใจพอมันเริ่มไม่สบายปั๊บเราสามารถหยุดมันได้ทันทีพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยบอกพุโทโธมาหลายปีแล้วไม่รู้มีใครเอาไปใช้กันบ้างหรือเปล่าลองไปใช้ดูอาจใช้ดู ลองลองลองทำสักวันหนึ่งวันนี้จะไม่คิดอะไรจะคิดแต่พุโทโธพุทโธดูรับรองได้ว่ า, าทำได้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายกับใครใครก็จะทำอะไรไม่ทำอะไรไม่เราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจไปกับเขาถ้าใจเราหยุดคิดถึงหยุดไปยุ่งกับเขาได้ ที่เราวุ่นวายใจก็ชอบไปวิภาควิจารณ์เขาเห็นเข า, าพับก็ว่าเขาแล้วยังไม่ได้พูดทางปากก็พูดทางใจเลยก่อนอันนี่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธมันก็จะไม่ไปวิภาควิจารณ์ใครมันเห็นอะไรก็จะเห็นเฉยๆเมื่อเห็นเฉยๆมันก็จะไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปกับการกระทําต่างๆใครจะทําดีก็เรื่องของเขา ใครจะทำชั่วก็เรื่องของเขาใครจะด่าเราก็ปากของเขาใครจะชมเราก็ปากของเขาเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเขาได้ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปลองมาหัดพุโทโธกันพยายามพุโทโธพุธโทโธไปแล้วจะมีความสุขแล้วถ้าอยากจะให้มันสุขเต็มที่ก็ ต้องนั่งหลับตาถ้าพุโทโธพุธโทโธแล้วยังทํานู่นทํานี่อยู่มันยังไม่สุกเต็มที่มันสุกได้ครึ่งเดียวถ้าอยากให้มันสุกเต็มที่ให้มันนิ่งได้เต็มที่ต้องนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรนั่งเฉยๆแล้วก็หลับตาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะนิ่งเวลามันจะนิ่งมันเหมือนกับวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อลงไปเหมือนตกลงมาจากที่สูงเนย แต่เราอย่าไปเลง็งอย่าไปเก่งอย่าไปกะนะอย่าไปคาดเมื่อไหร่มันจะตกนี่มนไม่ตกนะต้องทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทํามันอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอเราเผลอมันก็วุบลงไปเลยพุบไปแล้วมันก็นจะนิ่งพุโทโธก็หยุดแล้วเราก็รู้สึกโอ้ตื่นเต้นมหัศจดสะใจมีของวิเศษอยู่ในตัวเราเพิ่งมาเจอมันวันนี้เอง ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ทีตต่ตรงนี้เองอยู่ที่ในใจอยู่ที่ความสงบอยู่ที่เราหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดความคิดได้ด้วยการใช้พุทโธพุทโธไปพอเราได้เจอความสุขแบบนี้ครั้งเดียวเราจะติดใจอันนี้เราไม่เอาละมีอะไรยกให้คนอื่นได้หมดมีเงินทองก็ยกให้คนอื่นได้มีสามีก็ยกคนอื่นให มีลูกมีอะไรยกไปหมดขอไปอยู่คนเดียว<ม>ขอไปพุทธโธอยู่กับพุทธโธดีกว่า <laughs> พุทธโธนี้ไม่ให้ความทุกข์กับเรามีแต่ให้ความสุขกับเรา <laughs> แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี้มันให้ความสุขกับเราแล้วมันก็ให้ความทุกข์กับเราด้วย <laughs> ถ้าเราถ้ามันดีเราก็หวงมันหวงมันถ้ามันไม่ดีเราก็เครียดแล้วก็ทรมานเวลาต้องอยู่กับมัน แต่พุโทโธนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นพุโทโธจะมีแต่ให้เราสุขให้เราสงบให้เราสบายเนี่ยของวิเศษนยัตนะพุทธลัตตนาลัตนาะแปลว่าเพชรนินจินดาแก้วแหวนเป็นเป็นรัตนาะเป็นเพชรที่มีคุณค่า ย, ยิ่งกว่าเพชรที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นในโลกนี้จะใหญ่เท่ากำมือก็สู้เพชรอันนี้ไม่ได้เพราะเพชร ในโลกนี้ที่ใหญ่เท่ากามือมันก็ไม่สามารถมาทำให้ใจเราสบายได้มันกลับทำให้เราใจเราทุกข์มากขึ้นไปเชื่อไหมถ้าลองเป็นมีเพชรเท่ากับกามือเป็นของเราเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับมันต้องไปหาที่เก็บแล้วใช่มต้องไปจ้างร อ, อพอจ้างอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไปทำแล้วเอาไปเก็บไว้เฉยๆแล้วก็ไปนั่งเครียดกับมัน นานๆก็เอามาอวดชาวบ้านที่ว่าโอ้ฉันมีเพดเมนเริ่มก็เท่านั้นเองแต่ใจวุ่นวายใจไม่สงบใจไม่สบายแต่เพจพตัตนาใจเนี่ยพุท ธ, ธรัตนาธรรมรัตนาสังขลัตตนาเนี่ยจะทําให้ใจเรามีแต่ความอิ่มความสุขความพอจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียไม่มีใครสามารถขโมยพุโทโธเราไปได้ ไม่มีใครมาแย่งพุทธโธจากเราไปได้แต่ของต่างๆที่เรามีอยู่นี่เขาแย่งไปได้นะเรามีของดีเดี๋ยวต้องมีคนมาแย่งเราไปแล้วเชื่อไหมมีลูกดีเนี่ยเดี๋ยว ก, ก็มีคนมาขอไปแล้วไ <c oughs> ม่ให้เขาไปก็ไม่ได้ไม่ฮะไม่ให้เขาไปเขาก็โกรธเราอีก <c oughs> มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์เพราะเขาจะต้องจากเราไป <c oughs> มีของดีคนจะมาขอกัน <c oughs> ของไม่ดีก็ไม่มีใครอยากได้ <c oughs> ของไม่ดีเราก็ไม่อยากได้แต่บางทีมันก็ไม่ยอมไปมันก็อยู่กับเราเราก็ทุกข์กับมันอีก <c oughs> ของต่างๆในโลกนี้มันทุกข์ทั้งนั้นไม่ ว, ว่าจะดีหรือไม่ดี <c oughs> ดีก็ทุกข์ไปอย่างไม่ดีก็ทุกข์อีกอย่างสู้เอาเอาบไม่มีอะไรอยว่กับพุทโธนี้ไม่มีอะไรมีแต่คำบริกรม <c oughs> แล้วต่อไปพอเราสามารถควบคุมใจได้แล้วเราไม่ต้องบริกรรมก็ได้การบริกรรมนี้เพื่อสร้างกำลังใจให้มาหยุดความอยากหยุดความคิดเท่านั้นเองต่อไปเราหยุดความอยากหยุดความคิดได้เราก็ไม่ต้องใช้คำบริกรรมพอมันอยากปุ๊บแล้วก็บอกให้มันหยุดปั๊บมันก็หยุดทันทีพอมันจะทุกข์ปั๊บก็สั่งให้มันหยุดปั๊บพอมันอยากจะไปนู่นมานี่ก็บอกไม่ต้องไปมันก็หยุดปั๊บ มันก็ไม่ต้องพุทธโธพุทธโธแต่ถ้าสั่งแล้วมันยังไม่หยุดก็ต้องพุทธโธแสดงว่าเราไม่มีกำลังต้องสร้างกำลังพุทธโธนี้เหมือนเหมือนกับตัวที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะหยุดความอยากหยุดความคิดต่างๆพยามหัดตอนนี้เรามีกำลังน้อยสู้ความอยากไม่ได้สู้ความโลภสู้ความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเกือบทั้งวัน ทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ทุกกับคนนั้นทุกกับคนนี้ทุกอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีกําลังหยุดมันมันสร้างขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมาเองใจเราสร้างมันขึ้นมาเองแต่ใจไม่มีกําลังหยุดมันมีกําลังสร้างแต่ไม่มีกําลังหยุดเราต้องมาใช้พุทโธพุทโธหยุดมันสร้างสร้างกำลังสร้างกําลังหยุดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไป มันพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่ยากเย็นตรงไหนเลยมไม่เหมือนกับแบกข้าวแบกของแบกข้าวแบกของหนักขนาดไห น, นนะยังแบกกันได้<ม>ไปซื้อข้าวซื้อของอันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อลรเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไปเดินช้อปปิ้งกันโอ้ซื้อข้าวซื้อของหิ้วกันมือห้อยเลยก็ยังสู้ได้แต่ให้พุโทโธนี่กลับสู้ไม่ไหวพุโทโธมันยากตรงไหน มันก็เป็นความคิดอย่างหนึง่งเราคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเราคิดได้ทุกเรื่องทุกราวแต่พอไม่ให้คิดพุทโธกับคิดไม่ออกอาว่ามามีร้ายเปล่ามไม่มีขวัญจะถา ม, มเข้าใจยังทำไมถึงต้องบริกรรมพุทโธทเราทมไหม<ำ>แน่นอนนะ<ำ>พุทโธนี้ก็คือการสร้างสติ สติก็คือผู้ที่สั่งให้ใจหยุดหยุดคิดหยุดอยากเรียกว่าสติพระพุทธเจ้าบอกการมีสตินี้สำคัญที่สุดเพราะเราจะสามารถควบคุมใจของเราได้ถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนเมาในชะ่คนเมาแล้วควบคุมได้ไหอให้ไปขับรถก็ยังขับไม่ได้ขับไปกบ็บาดซ้ายบาดขวาเดี๋ยวก็ไปชนกันเนี่ยลนะักษณะของการไม่มีสติ เหมือนคนเมาสุราหรือเหมือนเหมือนคนเสียสติเห็นคนเสียสติคนบ้าไหมนั่นก็เหมือนกันไม่มีสติควบคุมใจไม่ได้ใจสเปะสปะเหมือนเด็กเหมือนทารกไม่รู้ผิดถูกดีชั่วนั่นเราต้องมีสติตอนนี้เรามีสติระดับของมนุษย์คือ เราพอจะควบคุมการกระทาบางอย่างได้เช่นควบคุมการกระทาทางร่างกายได้บางเวลาไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดอะไรนี้แต่ถ้าเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาบางทีก็ควบคุมไม่ได้ถ้ามีอารมณ์โกรธขึ้นมาลูกแกโทสะลูกแกโลภะนี่บางทีทนไม่ไหวอยากจะได้ของแล้วไม่มีเงินซื้อ ต้องไปขโมยอย่างนี้อยากได้มากมากถ้าไม่มีสติกำลังพอก็อาจจะสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเรามีกำลังสติดีๆนี่มันจะไม่สามารถที่จะมาดันให้เราไปทำในสิ่งที่เราไม่ควรกระทำถ้าเราไม่สามารถยักยำหัก้ามจิตใจไม่ให้ไปทำบาปได้ ก็ถือว่าเราไม่สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วมนุษย์นี้มีสติมากกว่าสัตว์เดลฉานสัตว์เดลฉานนี่สติน้อยกว่าเพราะสัตว์เดลฉานนี่มันรักษาสี่งไม่ได้เวลามันอยากจะกินมันเจอสัตว์เล็กสน้อยมันกัดกินเนาะแต่เราเป็นมนุษย์เวลาเราอยากจะกินอะไรเราไม่ไปฆ่าคนมากินเรารู้ว่า อ, อ๋อไม่ได้ทำไม่ได้ หรือไปฆ่าสัตว์เล็กสัน้อยก็ไม่ได้มันบาปเราต้องไปไปหามาไปซื้อจากตลาดกันอันนี้เพราะเรามีสติพอที่จะยับยั้งการกระทำบาปได้ถ้าเรารักษาศีลได้ยับยั้งการกระทำบาปได้ก็ถือว่าเรายังเป็นมนุษย์สมบูรณ์อยู่แต่พอเราเริ่มทำบาปแล้วทีนี้ความเป็นมนุษย์เราก็จะเสื่อมลงไปแล้ว เราะว่าสติของเราเสื่อมลงไปไม่สามารถารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้วิธีจะวัดว่าเราเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์ก็อยู่ที่การมีศีลห้านี้หรือไม่ถ้ามีศีลห้าครบบริบูรณ์ก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราเริ่มฆ่าสัตว์เริ่มทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งทั้งห้าข้อนี้แสดงว่าเราเริ่มเสื่อมละ เร่มเสือมจากการเป็นมนุษย์แล้วถึงแม้ว่าร่างกายของเรายังจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเรานี้มันเริ่มเสื่อมแล้วมันไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มที่แล้วอาจจะเป็นมนุษย์เก้าสเปอร์ซ็นตเป็นเดรัจฉานสิบเอร์ซ็นตถ้าทำบาปสิบเปอร์ซนตถ้าทำบาปห้าสิบเปอร์เซตเราก็จะเป็นครึ่งเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์เดรัจฉานนะซึ่งบางทีเขาก็ต้องจับเราไปขังไว้ในกรงนะ คนที่ทําผิดกฎหมายทําบาปไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเขาก็ปล่อยให้อยู่ตามตามธรรมชาติไม่ได้แล้วต้องจับไปถังในคุกในตารางเพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะใจของเขานี้ไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มที่แล้วเป็นเป็นมนุษย์ห้าสิบเป็นเดรัจฉานห้าสิบไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนเวลาอารมณ์ดีก็เป็นมนุษย์ พออารมณ์ไม่ดีก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไป<ม>พวกที่ไปจับที่ไปติดคุกติดตารางเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มร้อยเขาจึงถูกจับไปกักขังไว้<ม>เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อน<ม>แล้วเวลาตายไปนี่ก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานนะเ<ม>พราะใจมันไปเป็นเดรัจฉาน<ม>ไปใช้บาปใช้กรรมก่อน แล้วพอใช้บาปกรรมหมดก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้เป็นผลที่จะตา ม, มาจากการที่เราไม่มีสติรักษาใจเราไม่ไม่รู้จักหากข้ามใจเราไม่ให้ไปทาบาปถ้าเรามีสติสามารถหาข้ามจิตใจไม่ให้ไปทำบาปได้เวลาตายไปเราไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉาน ตายไปกลับก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้ามีเรามีสติอีกระดับหนึ่งสติที่จะสั่งให้เราไปทำบุญได้เราก็จะสูงขึ้นสติระดับแรกก็คือระดับรักษาสีพอเรารักษาศีได้แล้วเราก็ฝึก <c oughs> สติให้มีกำลังสั่งให้มันไปทำบุญ <c oughs> เวลาจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จาเป็นก็เอาไปทาบุญดีกว่า <c oughs> เวลาจะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปทาบุญดีกว่าถ้าสามารถสั่งให้ใจไปทาบุญได้ใจก็จะสูงขึ้นสูงจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วเทวดานี้เขารักษาศีลได้แล้วเขาก็ทาบุญได้แต่ถ้ารักษาศีลได้แต่ทาบุญไม่ได้ก็เป็นเพียงมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นเทวดาสูงกว่ามนุษย์ก็ต้อง รักษาศีลแล้วก็ต้องทาบุญด้วยทุกครั้งที่จะยาเงินไปเที่ยวไปซื้อของไม่จำเป็นไปใช้กับความอยากถ้ามีสติสั่งให้มันเอามาใช้การทาบุญจะดีกว่าเช่นเมื่อกี้พิมพ์หนังสือมาแจากนี่แทนที่จะเอาเงินไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เปลี่ยนใจเอาไปพิมพ์หนังสือทำ ม, มาแจากดีกว่า อย่างนี้ก็จะได้เป็นเทวดาได้ถ้าไม่นั้นก็เป็นเทวดาไม่ได้ถ้าไม่ได้ทําบุญนี้เป็นเทวดาไม่ได้ถ้ารักษาศีลได้ก็เป็นมนุษย์ได้แต่ยังเป็นเทวดาไม่ได้จะเป็นเทวดาได้ต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีบุญต้องทําบุญด้วยแล้วถ้ามีสติอีกระดับหนึ่งสูงกว่าเทวดาก็ไปเป็นพรหมได้พรหมก็คือพวกที่นั่งสมาธิได้ นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูไปฟังไปเล่นไปกินไปดื่มอะไรหาความสุขจากการทำใจให้สงบถ้าใจสงบรวมเป็นหนึ่งเป็นฌานขึ้นมาก็เป็นเทวเป็นพรหมขึ้นมาพรหมนี่สูงกว่าเทวดาสูงกว่าเทพเทพนี่ต่ำกว่าพรหมพรหมนี่มีความสุขมากกว่ามีมากกว่าเทพ แล้วถ้าอยากจะเป็นพรหมแบบไม่เสื่อมอก็ต้องรู้จักมองโลกให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเร า, เาพระพุทธเจ้านี้ท่านเหนือกอบพรหมท่านเป็นพรหมแล้วก็ท่านเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราท่านก็เลยไม่ต้องเสื่อมลงม า, าจากสวรรค์สวรรค์ชั้นพรหมแต่ถ้าไม่มี ปัญญาไม่ยังมองเห็นว่าโลกนี้เป็นสุขโลกนี้ยังเที่ยงแท้แน่นอนอก็จะเสื่อมลงมาได้ไป เ, เป็นพรมแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นเห็นหนูน่นเห็นนี่ก็อยากได้ขึ้นมาเพราะยังเห็นว่ามันสวยมันงามมันน่ารักน่าชื่นชมอยู่ยังยังให้ความสุขกับเราได้อยู่ แต่ถ้ามองมุมกลับว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องหมดก็จะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้อะไรถ้ามาอยากได้อะไรจิตก็จะไม่เสื่อมจะเป็นนิพพานไปมีอาศัยการมีสติคอยควบคุมกากับใจคอยหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆไม่ให้ไปทำตามความโลภต่างๆ ไม่ให้ไปทําตามความโกรธความหลงดงั้นเราต้องพยายามมาฝึกกันให้ได้สติแล้วจิตใจของเราจะสูงขึ้นจะสะอาดขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะมีความสุขเต็มร้อยต่อไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะตัวที่ทําให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี่เรากําจัดมันได้หมดคือความอยากต่างๆ เพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าของทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับมันสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันต้องพลิกกลับกันจากสุขจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปนี่จะเกิดจากการที่เราเริ่มต้นฝึกพุทธโธพุทธโธไปฝึกพุทธโธไปต่อไปเราควบคุมความอยากได้ขั้นต่อไปแล้วก็สอนใจให้เลิกความอยาก ด้วยการให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราไปห้ามมันไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเป็นสุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้พอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะเลิกอยากกับสิ่งต่างๆได้พอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือทำไมเราจึงต้องมาหัดปริกรรมพุทโธพุทโธกัน เราทำได้ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนดับเราสามารถพุโทโธพุโทโธกันได้แต่เราไม่รู้กันเรามัวแต่ปล่อยให้เวลามีค่านี้ไปคิดเกี่ยวับเรื่องต่างๆที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันไ อ, ไอเรื่องที่ไม่วุ่นวายใจกับไม่ชอบคิดกันชอบคิดแต่เรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจเรามาคิดพุดโทโธดูรับรองได้ว่าใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบจะเย็นจะสบายจะเบาไม่ดักอกหนักใจ ที่เราหนัก อ, อกหนักใจเพราะเราไปแบกมันเองไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นมันก็เลยหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาแต่พอเราพุโทโธพุโทโธไปปล่อยมันมันก็ไม่หนัก อ, อกหนักใจาลนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเยาถาวาเลวะหาปุราปะริกปุเรนติสาขะลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุลหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพโปริญโตสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจาันโต สัพพะโลกวินาศสตุมาเตผวัตตวันตรายุสุขิทิคายุโกผวะอภิวาทานสิฤิสะนิจจังวุทธาปจายโนจะตารโหธรมมวัฏฐานติอายุวนโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook สูงสุดสามร้อยเจดสิบสองค่ะยู u t u หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วก็วิทยุมีฟังยี่สิบสามรับฟังบนเขาสาสิบสามคนทั้งหมดห้า้อยส่สบเก้าค่ ะ, ะเมื่อเจริญสติแล้วเผลอไปคิดเรื่องอื่นเมื่อรู้ตัวควรกลับมาเจริญสติต่อโดยละความคิดนั้นเสียหรือควรพิจารณาความคิดนั้นอย่างไรคะ ก็เจริญสติมันก็ต้องกลับมาเจริญสติต่อแค่นี้มันก็ยังหลงนะไม่รู้ว่าคิดก็หยุดคิดกลับมาพุโทโธต่อตอนนี้ยังไม่ต้องใช้เวลาคิดคิดไปก็สู้กิเลสไม่ได้อย่าไปคิดหยุดกิเลสให้ได้ก่อนพุโทโธไปก่อนจนกว่าเราสามารถควบคุมความคิดได้เต็มที่แล้วทีนี้ค่อยสั่งมันคิดไปในทางปัญญา ถ้าหยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวให้มันคิดเดี๋ยวมันก็คิดไปทางกิเลสเท่านั้นจะไปคิดทางปัญญาได้ยังไงมีงานบุญสร้างบารมีตามที่ต่างๆผมจะใส่ชื่อพ่อแม่และคนในครอบครัวเขาจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนครับไม่ได้หรอกมันบุญใครบุญมันของใครของมันใครทำใครได้ถ้านอกจากว่าเป็นเงินของเขาเขาฝากมาเขาก็ได้ เหมือนต้องเป็นของของเขาแล้วเขามีเจตนาที่จะต้องการเสียสละสิ่งนั้นไปอย่างนั้นเขาจะได้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มาทำเองเขาฝากเรามาทำอย่างนี้ได้อยอะแต่เราทำเองแล้วเราก็บอกทาให้เขานี้เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เสียอะไรเขาต้องเสียของที่เขารักด้วยความเต็มใจแล้วเขาจะมีความสุขอย่างญาติโยมมาของมาถวายเนี่ยมีความสุขไมเพราะมีความยินดี ถ้าเกิดใครเอาของนี้ขโมยไปเนี่นจะมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจะเอาของมาทําบุญถูกขโมยไปก่อนเนี้เสียของเหมือนกันแต่ใจมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนเนี่ยเสียใจเพราะเราไม่มีความยินดีที่จะให้เขาขโมยไปเรามีความยินดีที่จะให้พระมาทําบุญเนี่ยมันมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรายินดีถึงแม้เรามาไม่ถึงวัน ถูกขโมยไปก่อนถ้าเราคิดว่ า, ามันก็เป็นการทำบุญเหมือนกันก็ตั้งใจจะให้ของนี้แต่ว่าตอนต้นคิดจะให้พระพอดีมีมีมีผีมาขอไปก่อนก็ให้มันไปก็คิดอย่างนี้ก็คิดว่าทำบุญกับผีไปก็ได้ผีก็พวกขโมยพวกพวกเดรัจฉานอะไรพวกนี้ก็ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็ยังได้บุญอยู่ความรู้สึกก็ยังมีความสุขใจอ ย, อยู่เหมือนเดิมบุญคือความสุขใจ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเรามีความยินดีที่จะเสียสละของที่เรารักเราชอบให้แก่ผู้อื่นไปคำถามจากคุณรุง้งเวลาจะนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือว่ายืนนอนแค่เริ่มจะทำก็มีอาการปวดเก็งตึงไปหมดโดยเฉพาะแถวใบหน้าคอหลังขมับเป็นเพราะอะไรและต้องแก้ไขยอย่างไรครับเพราะกิเลสมันต่อต้านไงกิเลสมันไม่ชอบถูกบังคับ เลมันชอบเป็นอิสระชอบคิดเลื่อยเปื่อยชอบคิดไปในทางความอยากต่างๆพอถูกบังคับไม่คิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็เก่งขึ้นมาท่นเองแล้วก็เกิดอาการต่อต้านทำให้รู้สึกอึดอัดปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาแต่พอให้ไปเที่ยวนี่หายหปวดเลยพอให้มาเดินจงกรมหน่อยปวดให้ไปเดินชอปปิ้งนี่ไม่ปวด <S <S ใช่ไหม <S <S นั่นแหละมันก็อยู่ที่กิเลสนั่นแหละ คำถามจากคุณอภิพลพาอาจารย์คะเวลาฟังเทศสติจับกับคําเทศไม่ทราบว่าหลับไปตอนไหนเลยคะ่ะพอรู้อีกทีท่านเทศจบเป็นหลายๆครั้งอยากทราบว่าทําอย่างไรคะถึงจะไม่รับมันไม่มีสติทำไงได้มันก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นเวลาทําอะไรก็ให้พุโทโธพุโทโธไปลืมตาขึ้นมาก็หัดพุดโทโธพุโทโธไป ต ส, ต ค, ตสต ค, คำถามจากคุณเวลอยากจะขอความรู้จากพระอาจารย์ครับว่าบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆสักพักจะกลายเป็นเข้าพุทธโธออกเพราะเวลารู้ลมเข้าออแล้วจะเป็นพุทธโธอาการอย่างนี้ต้องทำอย่างไรครับก็ไม่เป็นเป็นไรก็ทำไปเลยขอให้มันมีพุทธโธ ขอให้มันอยาไปคิดเรื่องอะไรก็ใช้ได้จะพูดเข้าโทรออกหรืออะไรก็ได้ข้อสาคัญคือเราต้องการหยุดความคิดนั่นเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดวงตาเป็นพระอาหารหันยังครับหดวงตาอยค์ไหนนะอาจารย์พอไม่รู้หรอกถามยั่ได้ไงคำถามจากคุณติ่ง กระผมอยากทราบแนวทางการทาบุญทาบุญด้วยอะไรจึงจะได้อ น, นิสงส์สูงสุดครับอาวอิกะโอ้เหนื่อยก็เรามีอะไรก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปทำในสิ่งที่เราไม่มีไม่ได้หรอกเนีย่ยถ้าเรามีเงินก็ทาเอาเงินไปทาบุญถ้าเราไม่มีเงินเรารักษาศีลได้ก็รักษาศีลไปถ้าเรามีเวลานั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิไป ถ้าเราคิดเป็นคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปมีอะไรก็สละไปไปบวชจะอย่างเงี้ยก็จะได้บุญสุดแล้วแต่เราจะทำแบบไหนได้ก็ทำไปเป็นบุญทั้งนั้นน่แต่มันอยู่ที่กำลังของเราบุญสูงสุดแต่ถ้าเราไม่มีกำลังทามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเรียนหนังสือพอจะพอจะเข้าโรงเรียนก็อยากจะเรียนชั้นสูงเลยมันเรียนได้เปล่า พออยากพอจะเข้าโรงเรียนได้ก็ขอไปเรียนที่มาหาลัยเลยเพราะมันได้ปริญญาแต่ถ้าตัวเองยังเรียนอนุบาลไม่ได้มันจะไปมันจะไประดับปริญญาได้อย่างไรมันก็ต้องไประดับที่เราทำได้เราทำบุญระดับไหนได้เราก็ทาบุญระดับนั้นไปไม่ใช่ว่าบุญสูงสุดเป็นไงฉันจะทำอย่างนั้นโดยที่ไม่ดูว่าตัวเองมีกำลังที่จะทำได้หรือเปล่า ก็เหมือนกับเรียนปริญญาเอกเลยไม่ดีหรือทาไมต้องไปเสียเวลากับเรียนอนุบาลกไก่ขอไข่เสียเวลาใช่ไหมเรียนปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์อะไรไม่ดีกว่านี่มันเรียนได้เปล่ามันเรียนไม่ได้มันต้องไปเริ่มที่อนุบาลกันคนทุกคนที่เริ่มทําบุญก็ต้องเริ่มทําชั้นอนุบาลไปก่อนแั้นอนุบาลก็ชั้นการทําทําบุญทําทานี่ แล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นศีลรักษาศีลห้าศีลแปดไปแล้วค่อยไต่เต้าขึ้นไปสู่ชั้นภาวนาะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ไปชั้นปัญญาต่อไปไปพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นบุญทั้งนั้นเป็นบุญสูงสุดก็คือขั้นปัญญา แต่มันจะเป็นเราจะไปขั้นปัญญาโดยที่เราทําขั้นฐานขั้นศีลไม่ได้มันย่อมเป็นไปไม่ได้เหมนเด็กที่จะไปเรียนปัญญาเอกโดยที่ยังยังต้องเรียนชานุบาลยังเรียนไม่ยังยังเรียนไม่ผ่านนี้มันทําไม่ได้หรอกนะงนั้น <c oughs> บุญสูงสุดสําหรับเราก็คือบุญที่เราทําได้นั่นะเป็นบุญที่สูงสุดสําหรับเรา บุญที่สูงกว่าเราที่เราทำไม่ได้มันจะสูงยังไงมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราขอให้เราทำบุญที่เราสามารถทำได้ไปก่อนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับคำถามจากคุณอัญญารัตน์มีพี่มาขอเรียอะไรให้ไปทำบุญร่วมกับเขาเราฝากเงินไปร่วมด้วยอยากทราบว่าใครได้บุญมากกว่ากันคะอ๋อุ บุญของเราก็เป็นของเราเงินทองที่เราเสียไปนี่ก็เป็นของเราเขาไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเขาก็ได้เพียงแต่ว่าเขามาบอกบุญทำหน้าที่ทำให้เกิดมีการทำบุญเขาก็ได้บุญแบบแบบนี้ไปแบบเป็นเป็นโคศกไปเป็นเซลแมนไปคำถามจากคุณหน่อยกลับเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะคนที่ฆ่าตัวตายและตอนอยู่ไม่เคยทำบุญ ตายแล้วจะได้รับบุญจากญาติได้ไหมคะแล้วแต่ว่าเขาไปเกิดเป็นอะไรถ้าเขาไปตกนรกนี่เขาก็รับบุญไม่ได้ไปเป็นเดรัจฉานเขาก็ไปเขาก็รับไม่ได้มีพวกที่รับบุญได้ก็พวกเปรตเท่านั้นมีพวกเปรตนี้เ็เป็นพวกที่ทำบาปด้วยความโลภถ้าเขาทำบาปด้วยเหตุผลอ่าอื่นมันก็ไม่สามารถทำให้เขาอไปเป็นเปรตได้ ถ้าทำบาปด้วยความอาคาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นก็ไปตกนรกอย่างี้ก็ไม่สามารถไปรับบุญที่เขาส่งไปได้คำถามจากคุณจั ก, กรพัฒนถ้าเราไม่มีเวลาก่อนนอนฟังธรรมะแล้วหลับไปแบบนี้ถือว่าได้บุญไหมครับก็เป็นยานอนหลับไงถ้ได้หลับสบายหลับง่ายแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นบุญอะไรแล้ว เพราะบุญที่กจากการฟังธทมก็คือสมาธิหรือปัญญาที่ไม่เกิดเพราะเราหลับไปซะก่อนคำถามจากคุณสีนี้นาค่ะเห็นคนมีความรู้มากพูดไม่ดีกับคนสูงอายุรุ่นแม่เพราะไม่ชอบพูดจาหยาบคายเป็นวจีกรรมที่ไม่ดีจะมีผลกับคนพูดไหมคะมีแน่นอนก็เป็นการพูดที่จะทําให้เขาเอาอา ไปอบายได้คนทำบาปนี่มันก็มันจะเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้มันก็เป็นได้แค่เดรัจฉานหรือเปรตหรื อ, อสุลกกายหรือนรกเท่านั้นค่ะคำถามจากคุณจงศรีนี้ค่ะ พักหลังๆนี้หนูเห็นคนทำบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรก็รู้สึกปลื้มใจแทนพวกเขาอย่างบอกไม่ถูกเลยและอยากจะทำบุญอย่างเขาบ้างไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากการที่เรามีอนุโมทนาเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทำบุญแล้วเราก็ชื่นชมยินดีไปกับเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญก็ได้บุญลนะได้ความสุขใจโดยที่ตัวเองยังไม่ได้ทาอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่เหมือนกับบุญที่ทาเอง บุญทาเองนี่มันได้ได้เยอะกว่าได้มากกว่าแต่ถ้าเห็นคนอื่นเขาทาบุญแล้วดีใจไปกับเขามีความสุขไปกับเขามันก็เป็นบุญอีกอย่างที่เรียกว่าอนุโมทนาบุญะบางคนเห็นคนอื่นทําบุญแล้วหมั่นไส้เขาหรืออะไรเขาางี้ก็เลยไม่ได้บุญด้วยฉาเขาอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญหรือเสียดายเงินแทนเขาเอาไปทําไมเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาไปเลี้ยงหมาดีกว่ า, าถ้าคิดอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้บุญ จากการที่เห็นคนนึ่งเขาทำบุญคำถามจากคุณพีโกเรื่องจักสุวิญญาณคนเป็นตาเห็นรูปเกิดจากษุวิญญาณแต่ถ้าคนตายแบบนอนลืมตาจะมีจักษุวิญญาณเกิดขึ้นหรือไม่ครับไม่มีเหรอเพราะว่าวิญญาณกับร่างกายมันตัดขาดจากกันแล้วพอ ร, ร่างกายไม่หายใจนี่มันไม่สามารถที่จะ ส่งภาพต่างๆไปให้กับใจได้ใจก็ถอนวิญญาณออกจากร่างกายไปใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันนั้นใช้งานไม่ได้แล้วเหมือนคนขับรถเนี่ยพอรถเสียคนขับก็เปลี่ยนรถใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์สนใจนี้เป็นเหมือนคนขับพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้ก็แสดงว่ามัน มันตายดูภาพไม่เห็นหูไม่ได้ยินเสียงแล้วใจก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ไปหาน่างกายที่สามารถรับภาพรับเสียงให้กับใจได้ <c oughs> ถึงมีถึงมีการเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายเก่าตายไปใจก็ถอนตัวเองออกจากร่างกายเก่าแล้วก็ไปหาร่่งกายอันใหม่ก็เหมือนเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ ย น, น, ยยนคำถามจากคุณวีรศักดิ์คนที่ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวไม่ได้สวดมนต์จะบรรลุถึงขั้นโสดาบันได้ไหมครับไม่ได้หรอได้แต่สมาธิจะได้โสดาบันต้องเห็นตายลักเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้มันเจ็บได้ปล่อยให้มันตายได้ ไว้ให้มันแก่ได้ถ้าไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายก็ยังเป็นโสดาบันไม่ได้เพราะยังไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นอย่างไรว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็มันเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่ร่างกายอันนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนอ่เราเพียงแต่มาเกาะมันตอนที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว พอมันเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเราก็ไปเกาะมันเท่านั้นเองเราไปครอบครองมันแต่มันไม่ได้เป็นตัวเราเราผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งจากเราอีกที่หนึ่งถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นมันเราก็พอเราไม่รู้ไม่เป็นมันเราก็ไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตอนนี้เราไม่รู้ไงเราหลงเราไปคิดเองเหมือนคนสมัยก่อนคิดว่าโลกนี้แบนใช่หมใช่ไหมพอคิดว่าโลกนี้แบนก็ไม่มีใครกล้านั่งเรือออกไปไกลๆกลัวเดี๋ยวจะตกขอบทะเลไปอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราก็เลยไปลักไปหวงมันไปกลัวมันไปทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามาศึกษาความจริงก็ดูตั้งแต่ตอนที่มันเกิดมันมามันมาจากที่ไหนมันเป็นอะไร เล้วบดามันตายไปมันกลายเป็นอะไรไปแล้วเราอยู่ตรงไหนเราไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้เราเพียงแต่มาสั่งให้ร่างกายทําอะไรเท่านั้นเองพอเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็จะไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายมันแก่ก็แก่ไปมันเจ็บก็เจ็บไปมันตายก็ตายไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเท่านั้นเองเนี่ยต้องเป็นต้องรู้อย่างนี้ถึงจะเป็นโสดาบันได้ คำถามจากคุณวิเชียนธรรมแก้วันเชงเม้งมีคนจํานวนมากกระตันยูด้วยการเอาอาหารไปให้ผู้ตายถ้าผู้ตายไม่ได้กินแล้วจะมีสัมภเวสีอื่นมากินหรือไม่เราควรแนะนําเขาอย่างไรทําอย่างไรจึงจะถูกต้องครับก็ให้เขาชั่งของไว้ก่อนก่อนไปไว่าดูว่ามันหนักเท่าไหรแล้วเวลาว่าเสร็จแล้วก็เอามาชั่งใหม่ดูว่ามันยังหนักเท่าเดิมหรือเปล่าหรือน้ําหนักมันหายไปถ้าหายไปก็อาจจะมีผีมากินก็ได้ ถ้ามันยังเท่าเดิมก็แสดงว่าไม่มีใครมากินคำถามจากคุณสุธามน์คนเราตายแล้วเกิดเลยใช่ไหมคะตายแล้วก็เป็นเป็นอย่างอื่นทางพอไม่เป็นมนุษย์มันก็เป็นอะไรไปเลยถ้าเป็นเป็ดก็เป็นเป็ดไปเลยพอไม่ใจมันเป็นเป็ดตั้งแต่ก่อนไม่ตายแล้วพอใจไม่เป็นเป็ดเป็นนรกหรือเป็นเทวดาไปตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วแต่ถ้าจะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องไปรอตั้งคันก่อน แต่เป็นเดรัจฉานก็ต้องไปตั้งคันก่อนถึงจะมาเกิดได้ถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นที่แบบไม่ต้องมีร่างกายมันก็เป็นทันทีถ้าเป็นเทวดาพอร่างกายหยุดหายใจก็เป็นเทวดาทันทีถ้าเป็นพรมก็เป็นพรมทันทีถ้าเป็นกิเลสถ้าเป็นนรลก็เป็นนรลกทันทีเะนั้นถ้าเป็นถ้าไปเกิดแบบที่ไม่มีร่างกายก็เป็นทันทีเลย ถ้าจะไปเกิดแด บ, บที่มีร่างกายก็ต้องรอให้หมันตั้งท้องก่อนต้องมีร่างกายอยู่ในท้องก่อนแล้วรอคลอดออกมาถึงนี้เรียกว่าเกิดค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพวกที่เกิดเป็นเปรตเท่านั้นที่สามารถรับบุญได้แล้วถ้าพวกที่เกิดเป็นสัมภเวสีไม่สามารถรับบุญได้พวกเขาจะมีสถานะอยู่ในแบบมีความทุกข์มากกว่าเปรตอีกใช่ไหมเจ้าคะ แล้วเขาจะอยู่โดยที่ไม่มีบุญเป็นที่พึ่งได้อย่างไรคะก็แล้วแต่เขาก็เหมือนคนที่ไปติดคุกติดตารางคนที่ติดคุกติดตารางก็เหมือนกับคนที่ไม่มีเงินทองไปทําไปไปไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรต้องจับไปขงังคุกขังตารางส่วนคนที่มีเงินทองก็เหมือนพวกที่ไปเที่ยวต่างประเทศี่เขาก็มีเงินทองเขาก็เที่ยวได้เพราะไม่มีบุญมันก็ไม่มีความสุขก็มีแต่ความทุกข์ไป ไปจนกว่าบาปจะหมดแล้วคนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ค่าคำถามจะกคุณปรินยาขอสอบถามเรื่องการตัดเรื่องการม้อารมณ์ครับการมาอารมณ์การมาอารมณ์การม้าาคะใช่ไหมการอยากจะร่วมหลับนอนกันใช่ไมถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกันก็ต้องมองร่างกายของคนที่เราอยากจะนอนให้เห็นให้เห็นตับไตไส้พุงเขาให้เห็นอุจจาระปัสสาวะของเขา ให้เห็นโครงกระดูกของเขาถ้าเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงเห็นปัสสวาวะจราของเขาก็จะไม่อยากจะนอนกับเขานะ<ค><ณ>เห็นไหมร่างกายเรามีไหมพวกนี้ยมีโครงกระดูกไหมมีตับไตไส้พุงไหมมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ไหย ม, มีปอดมีหัวใจหรือเปล่ามีแต่มองไม่เห็นกัน ก็เลยเห็นเป็นคนสวยคนหล่อขึ้นมาถ้ามองทะลุเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นส่วนที่มองไม่เห็นส่วนนี้นี่ส่วนนี้ต้องนึกต้องคิดบ่อยๆถึงจะเห็นถ้ายังไม่เห็นก็ไปเปิดหนังสือดูก่อนไปดูภาพถ่ายที่ก็ผ่าศพดูก็ได้แต่เวลาก็ผ่าศพนักศึกษาแพทย์เขผ่าศพออกมาจะได้เห็นอวัยวะต่างๆแล้วพยายามนึกถึงภาพเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆ เวลาเห็นคนสวยคนหล่อก็คิดถึงของที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขามันก็จะทำให้การอารมณ์ดับไปได้วันละเหรอใจเราชอบมองแต่ส่วนที่อยากจะมองส่วนที่ไม่อยากจะมองก็ไม่มองมันก็เลยเหมือนกับไม่มีแต่ความจริงมีด้วยกันทุกคนมีใครไม่มีอาการ32บ้าง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยแต่มองไม่เห็นเห็นแค่หนังนั่นเอเห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ไป ม, มองท่อยู่ที่ผิวหน้าเท่านั้นเองคนเราที่หลงรักกันก็ดูที่ผิวหน้าใช่ไหมดูหน้าตาเป็นยังไงออหน้าหน้าตาแจ่มใสออสวยงามหรือเปล่าออแต่ไม่ยอมมองส่วนอื่นไม่เห็นส่วนอื่นไม่มองเห็น กะโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหน้าเห็นผิวหน้าก็สวยแต่ไม่คิดถึง ก, กระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหน้าพอไปเห็น ก, กระโหลกศีรษะก็กลัวขึ้นมาแต่เวลามีผิวหน้าบาังอยู่กับไม่กลัวในเวลาไปเห็นศพที่มีแต่กระโหลกศีรษะมีแต่กระดูกนี่เห็นแล้วก็กลัวกันแต่เวลามีผิวานอามาหุบห่ออยู่ก็เลยไม่กลัวกัน เนี่ยพวกเรามีกระโหลกมีมีกระโหลกศีรษะมีกระดูกอยู่ตลอดเวลากับมองไม่เห็นกันขนาดพูดตอนนี้ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมยังไม่กลัวอะไรใช่ต้องผ่ามาให้ดูเนี่ยบางทีต้องไปศึกษาเนี่ยสมัยก่อนเขาจะดูศพเขาต้องไปดูที่ป่าช้ากันเพราะสมัยก่อนป่าช้าเขาไม่เผาไม่ไ ม, ไม่ไม่ฝังเอาศพไปทิ้งไว้พระพุทธเจ้าสอนให้พระไปเยี่ยมป่าช้ากัน ก็จะได้ไปดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วเอามาคิดมานึกประจําไว้แล้วเวลานึกถึงร่างกายสวยๆงามๆหล่อๆจะได้นึกถึงเวลามันไม่หล่อไม่เหลาไม่สวยแล้วมันก็จะดับการมาหลงได้ถ้าไม่นึกไม่เห็นเดี๋ยวมั น, มนอยู่เดี๋ยวผ้ามันจะร้อนมันจะอยู่ไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยที่บวชแล้วเสกบวชแล้วเสืก<ม>ก็พ่ออย่างนี้เท่งนั้นอนะ่ะผ้าร้อนกัน ้ายังมาต่อคาถามจากคุณเกตเคยทำงานเป็นเซลล์แต่ไม่อยากผิดสีนข้อมูสาจึงเปลี่ยนงานได้ถือสินห้าทำงานเป็นนักเขียนแทนไม่ได้รำด่ำรวยแต่ไม่เดือดร้อนขอแค่พอกินพอใช้ไม่ลำบากหลังจากได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ก็เริ่มนั่งสมาธิแล้วครั้งหนึ่งโดนแมวจรจัดข่วนตอนนั้นไม่มีเงินฉีดวัคซีนเกิดความกลัวตายขึ้นมามากๆเป็นกังวลอยู่หลายวันแต่พอคิด ว่าคนเราจะตายยังไงมันก็ต้องตายช่างมันพอปล่อยวางความกลัวตายได้แล้วอกเบาอกเบาใจโล่งมากค่ะมาตอนนี้เริ่มถือสินเพิ่มอีก2ข้อค่ะแต่สินข้อ7ข้อเดียวที่ยังปฏิบัติไม่ได้เนื่องจากเกี่ยวกับงานที่ต้องทําเรื่องบันเทิงถ้าหากอยากก้าวหน้าทางธรรมต้องคิดเกี่ยวกับการทํางานอย่างไรคะ อ, อ๋อก็ที่ว่าทำงานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะว่าจะก้าวหน้ายัางไงจะรวยยังไงเดี๋ยวก็ตายก็ต้องทิ้งมันหมด งอย่าไปหลงกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากจนเกินไปเราทํางานก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอช่วมารักษาสินกันดีกว่าเพื่อมาปฏิบัติธรรมกันดีกว่าเพราะมันเป็นของถาวรได้มาแล้วมันจะไม่หมดผลที่เราได้จากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการรักษาศีนการภาวนานี้มันจะอยู่กับใจของเรามันจะคุ้มครองรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ แต่ของต่างๆที่เราหาจากการทำงานนี้มันคุ้มครองเราชั่วคราวพอเวลาเราตายไปหรือเวลามันหมดไปมันก็คุ้มครองเราไม่ได้ด <Yeah. S 1> ังั้นเราอย่าไปหวังอะไรจากสิ่งต่างๆจากการทำงานของเรานอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็พอส่วนจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ช่างหัวมันขอให้มีงานทำมีเงินเดือนมาจ่ายค่าใช้จ่ายที่จาเป็นก็พอ ล้วเอาเวลามารักษาศีลจะดีกว่าคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพ่อแม่มีลูกมาบวชแต่พ่อแม่ยังคิดว่าพระเป็นลูกอยู่พระเลยบอกว่าตัดขาดจากการออกเรือนแล้วพ่อแม่ก็หาว่าพระตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกเลยเลยสั่งสอนพระไปบางทีเผลอสติกล่าวว่าปลามาดพระ พูดกระทบให้พระจิตขุนมัวพ่อแม่จะบาปไหมคะพ่อแม่เขาก็เขาก็เกลียนคิดว่าเขาเป็นพ่อแม่อยู่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการขาดปัญญาขาดสติปัญญาไม่รู้จักแยกแยะสมมติว่าตอนนี้เขาถึงแม้จะคอยเป็นลูกเราแต่ตอนนี้เขาเป็นพระแล้วเราเป็นคารวะเราถึงแม้จะเป็นพ่อแม่เขาเราก็ต้องให้ความเคารพ ก, กับเขา เราไม่ควรที่จะพูดอปรามาสผู้ที่สูงกว่าเราแต่ถ้าทํำก็ถือว่าเขาก็บาปคําถามจากคุณจามแม่ของหนูเสียชีวิตไปแล้วแต่แม่มีหนี้เยอะแล้วหนูใช้หนี้แทนแม่แม่ของหนูจะมีบาปติดตัวไปไหมคะถ้าเป็นถ้าเป็นหนี้ของแม่แล้วแม่ตายไปก่อนนี้เลย แ ม, แม่ตายไปแล้วยังไม่ได้ใช้นี่มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับขโมยเงินเข้าไปนะแต่ยังไม่ได้ใช้นี่เขาก็ยังถือว่าทำบาปอยู่ถึงแม้ว่าคนอื่นจะมาใช้นี่ให้ก็ไม่สามารถมามาลัานบาปของเราได้ถ้าเราอย้นเราควรถ้าเรามีนี่ดีใช้นี่ให้หมดซะก่อนไมง้นเดี๋ยวมันจะเหมือนกับขโมยเงินเขา เเออาาางินข้า้มมมแลวไ่ยคย mm. ยงถือว่าทําาาบอยู่ถมจากคุณกิติกวินค่ะถ้าจิตก่อนตายคิดถึงอะไรก็จะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันการที่จะคิดไม่ได้ทําให้เราเป็นนั้นเป็นนี่ขึ้นมาการจะเป็นนั้นนึอยู่ที่การกระทําของเราอื ไม่ใช่คิดเป็นเนรัจฉานมันจะเป็นเดรัจฉานถ้าเราไม่ทําบาปคิดเป็นหมาคิดเป็นแมวมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าเราคิดเป็นเทวดาแต่เราทําบาปมันเป็นเทวดาไม่ได้มันอยู่ที่การกระทำมันไม่อยู่ที่การคิดของเราถ้าอยากจะเป็นเทวดาก็ต้องไม่ทําบาปต้องทําบุญก็เป็นเทวดาถ้าอยากจะเป็นเดรัจฉานก็ไปทําบาปอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เป็นเดรัจฉาน มืนไม่ดีที่คำคิดอย่างน้นก็ดีแต่มารอคิดตอนสุดท้ายก่อนจะตายก็คิดพุดโทโธพุโทโธสองคำแล้วก็ไปเป็นพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมมันเป็นไปนไม่ได้หรอคําถามจากคุณปริญญาการทรงเจ้าของเทพในจิตมนุษย์มีจริงหรือไม่ครับอันนี้เราไม่รู้หละเพราะเราไม่เคยศึกษาเรื่องอ น, นี้คาถามจากคุณปันธิปา อันนี้สงจากการสวดมนต์บทต่างๆจะดีตามที่บทสวดกล่าวหรือเปล่าคะไม่หรอกอันนี้สองบทสวดสวดบทไหนเหมือนกันมันการเจริญสติเหมือนพุทโธพุทโธนี้พอเราสวดมนต์เราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองไม่ใช่สวดบทนี้แล้วรวยสวดบทนี้เราจะเรียนเก่งสวดบทนี้เราจะได้แฟนดีไม่ใช่หรอกไม่เกี่ยวกันอันนี้เ ป, นเป็นเป็นเป็นเรื่องของพวก พวหมอดาหมออะไรทั้งนั้นคิดกันไปเองพวกนี้ไม่รู้ความจริงว่าการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสติเพื่อให้เราหยุดความคิดต่างๆแค่นั้นเองหมดแล้วเหรอคำถามจะคุณไกดสอนค่ะใส่บาทกับบริจาคเงินตามตู้บริจาคของวัดอันไหนได้บุญเยอะกว่ากันโอ้ยอย่าถามเลยเหมือนกันทั้งนั้นแหะอะไรว่าชอบถามอยู่เรื่อย ก็อยู่ที่ทําบุญมากทําบุญน้อยก็แล้วกันออ <Yeah. Yeah. S 2> ทำสิบบาททํำก็ใครมันก็ได้เท่ากัน <Yeah. S 2> ถ้าอยากจะได้มากก็ต้องทำร้อยบาทเอ <Yeah. S 2> จะใส่บาตรก็ได้จะใส่ตู้บริจาคก็ได้ yeah. Yeah. เดี๋ย ว, ว่าถามว่าฆ่ามดกับฆ่าไก่อันไหนจะบาปมากกว่ากันเลยโอ้ยเราไม่มีไม่มีตาช่างหมามาช่างมาบอกเราหรอก <Yeah. Yeah. S 2> อย่าไปทําบาปถ้าบาปอย่าไปทําบาปนิดนึงก็อย่าไปทำํำ บุญก็ทําให้มากๆากอย่าไปเสียดายเงินทองต้องทําบุญแล้วค่ะบางคนเคิดว่าถ้าอ้าใส่ตู้บริจากสิบบาทอได้มากกว่าใส่ใส่ใส่บาทร้อยบาทนี้ก็ไม่ไม่ก็ไม่มีใครใส่บาทเลยไปใส่ตู้บอลจากสิบาทดีกว่าได้ทั้งร้อยบาทไม่หลอกมันก็อยู่ที่คําว่าบุญหรือทานนี่มากน้อยอยู่ที่การเสียสละของเรา เสียสละมากก็ได้มากไม่เชื่อลองลองทําลองทําดูสิลองทำร้อยหนึ่งแล้วลองทํำพันดูนดูจะรู้สึกว่าอันไหนมีความสุขกว่ากันอความสุขใจนี่เ ร, เรียกว่าบุญอะไรนะความทุกข์ใจก็เรียกว่าบาปพอเราไปทําอะไรไม่ดีเราทุกมากทุกน้อยเนี่ยก็ถ้าทําทุกมากก็บาปมากทุกน้อยก็บาปน้อ ย, เ, ยเวลาทําบุญก็เหมือนกันถ้าสุขมากก็บุญมากถ้า เท่าสุกน้อยก็บุญน้อยให้ดูที่ใจเป็นหลักผลบุญกิดที่ใจของเราเอาแล้วเนะี่ยถ้าไม่มีคำถามดีก็มามยังไม่มาเลยมีใครอยากจะถามไหมมาส่งท้ายหน่อยกล่าวธรรมสการว่จาจย์ค่ะอ่า แต่ก่อนนี่ในช้างเคยเป็นอาจารย์ที่มหาลาัยแล้วก็ได้ลาออกไปทําธุรกิจแล้วก็จะไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ที่นี้มันเฟลกลับมาทําให้พ่อแม่ท่านเสียใจมากทุกใจด้วยชั้นาบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ทํากับพ่อแม่เราไม่ได้ไปทุบตีพ่อแม่ไม่ได้ไปทําพ่อแม่เข้ามาทุกข์กับเราเองเพราะพ่อแม่เขาอยากให้เราสําเร็ จ, จเจริญรุ่งเรือง พอเราไม่สําเร็ จ, จเจริญรุ่งเรืองแกเขาก็เสียใจก็เหมือนพ่อพระพุทธเจ้าก็เสียใจตอนที่พระพุทธเจ้าไปบวชแต่มันไม่ได้เป็นการกระทําของพระพุทธเจ้าต่อพ่อพ่อทําตัวเขาเองอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้ไปทําอะไรกับพ่อแม่พ่อแม่เขาทํากับตัวเขาเองเขาไปหวังอะไรจากเราแล้วเขาไม่ได้ดังใจหวังเขาก็เลยเสียใจ น, นั่นเองมันไม่เกี่ยวกัน <น>คุณค่ะยังไม่ไมบาปเอ่ถ้าเราไปทุบตีพ่อแม่หรือไปหลอกพ่อแม่เอาเงินไปลงทุนแล้วทําเจ๊งหมดอย่างเนี้แล้วไม่คืนพ่อแม่อย่างเงี้บาปอาจาใจไหมอขอบพระคุณค่ะเหนูก็คิดกังวลแต่ว่าหนูก็หาทางอื่นเพื่อจะช่วยพ่อแม่ก็คือเงินทองอะไรเงนี้ยค่ะก็ช่วยท่านตลอดถ้าเรามีก็ช่วยท่านไปตอบแทนนุ่นคุณท่านไปแต่เรื่องที่ท่านไม่ได้ ไม่ได้สมหวังจากการกาการดำเนินชีวิตของเราอันนี้มันเราช่วยไม่ได้เพราะเราก็อยากจะรวยอยากจะเจริญแต่มันไม่รวยไม่เจริญนู้นจะทำยังไงเนี้ยอันนี้เข า, เาจะมาเสียใจก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องเสียใจก็ได้นี่ใช่ไหมถ้านก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แ่ะมันทําได้แค่นี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้จะไปหวังให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่มีปรรัญญาเขาก็คิดไปในทางที่ทําให้เขาทุกข์เอง ถ้าเขาทุกแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการกระทาของเราต่อเขาไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดขอบพระคุณค่ะถ้าแล้วนื่นอางนั้นวันนี้พอดีเวลาหมดก็ขอให้ท่านจงนำเาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ